94ความจริงต้องสัมผัสได้ในปัจจุบันทั้งสวรรค์นิพพานดังนั้นทิฏฐธรรมจึงหมายถึงรู้เข้าใจได้เห็นชัดเจนด้วยภาวะที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่หลัดหลัดในธรรมนั้นๆซึ่งต้องเป็นปัจจุบันทิฏฐธรรมนิพพานก็หมายถึง ได้เห็นธรรมะถึงขั้นนิพพานในปัจจุบันนั้นชัดเจนหลัดหลัดกันทีเดียวจึงจะเป็นการยืนยันความจริงไม่ใช่มีแต่ฝันมีแต่ลอยลมมีแต่วิมานมีแต่อยู่ในอนาคตต้องเป็นภาวะที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่หลัดหลัด กระทบสัมผัสภาวะนั้นๆอยู่โทนโท่ต้งโต้งเป็นปัจจุบันนั้นๆมีภาวะนั้นยืนยันแท้จึงจะชื่อว่าปรมัตาทัตย์คือความจริงอันสูงสุดมีจริงเป็นจริงปรากฏอยู่จริงเป็นไปได้จริงได้รับผลนั้นจริงอยู่เป็นปัจจุบันนี้ ไม่ว่าทิฏฐาพินิพานก็ดีก็บรรลุนิพานในปัจจุบันนี้อันไม่ใช่สัมปรายกภพทิฏฐะสุขวิหารก็ดีก็บรรลุความเป็นสุขในปัจจุบันนี้อันไม่ใช่สัมปรายกภพทิฏฐะเวทนียะก็ดีก็บรรลุผลเสวยผลในปัจจุบันนี้ อันไม่ใช่สัมปรายกภพทิฏฐะปาตะข้อดีก็เป็นผู้บรรลุผลเข้าถึงผลในปัจจุบันนี้อันไม่ใช่สัมปรายกภพทิฏฐะกาละเวลาที่เห็นนิพพานล้วนคือภาวะในปัจจุบันนี้อันไม่ใช่สัมปรายกภพทั้งนั้น สรุปแล้วทิฏฐะนั้นเน้นปัจจุบันและเน้นเห็นด้วยสัมผัสภาวะนานๆอยู่ตรงๆในขณะที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์หรือแม้ที่สุดนิพพานจึงจะเรียกว่าความจริงไม่ใช่เอาแต่ฝันเพ้อพกอยู่กับได้แต่รู้แต่คิด